กล่าวคือทาสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียนเราจากเป็นผู้ไม่เบียดเบียนทาสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทาปานาติบาตเราจะเว้นขาดจากปานาติบาศทาสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นกระทำอธินาทานเราจากเว้นขาดจากอธินาทาน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 เมื่อผู้อื่นพูดคำหยาบเราจักเว้นขาดจากการพูดคำหยาบทาสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นพูดเพ้อเจ้อเราจักเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อทาสันเลขาว่าเม ME ื่อผู้อื่นมากด้วยอภิชาเราจักเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาทาสันเลขาว่า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 เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวาจารเราจะเป็นผู้มีสัมมาวาจาทมสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉากรรมันตะเราจะเป็นผู้มีสัมมากรรมันตะทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาอาชีวะเราจะเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะทมสันเลขะว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวายามะเราจะเป็นผู้มีสัมมาวายามะทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสติเราจะเป็นผู้มีสัมมาสติทำสันเลขาว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาสมาธิเราจะเป็นผู้มีสัมมาสมาธิทำสันเลขาว่า เมื่อผู้อื่นมีมิจฉาญาณะเราจะเป็นผู้มีสัมมาญาณะทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีมิจฉาวิมุตต์เราจะเป็นผู้มีสัมมาวิมุตต์ทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นมีทีนะมิทธะกลุ่มรุมเราจะเป็นผู้ปราศจากทีนะมิทธะทำสันเลขะว่า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 ทำสันเลขะว่าเมื us, oit, ่อผู้อื่นเป็นผู้ประมาทเราจะเป็นผู้ไม่ประมาททำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่ศรัทธาเราจะเป็นผู้มีศรัทธาทำสันเลขะว่าเมื่อผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีหิริเราจะเป็นผู้มีฮิริทำสันเลขะว่า